4สองนลัเบยเรนดูการเที่ยวเมืองน a รดร a d a ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะอาอิวารมาร์เกตเติเร์ชิวนตุนด งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันใช่ไหมคะโซมวาราลุสันตตลเตริรชิวันตรยะนิทัศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะมังกลวาราลุประดับเซนซาลุเตริชิวันตรยะสวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะบุทวาราลุจันตุประดับเซนาลาเตริชิวุนตุนดา พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะจัน u ร์วาราลุมิวเซียมติ u ฉ t นตุนหอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะศุกร์วาราลุจิตรศัลย์ติ n ฉุนตุนด a สามารถถ่ายรูปได้ไหมคะเยาวเรน่าฟอโต้ล e s ิสโกวะจ๊ะต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะ เยาวรีนะปพรเวสรุสมุเชลลินชาล์ล่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะเพรเวสรุสมุธารยันตามีส่วนรถสำหรับหมู่คณะไหมคะกุ่มพลกาเวลเต้ดิส c o u n ์เอเดนะมุนดามีส่วนรถสำหรับเด็กไหมคะปิลเลกลูกีดิสค o u n t เอเดนะมุนดา มีส่วนรถสําหรับนักศึกษาไหมคะวิทยาลัยก็ดิส c าน n ์เอดเดนะมุนดานั่นตึกอะไรคะอดีเยภวันติตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะอาภาวันติยันตะปาติดใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะอาภาวันตินิยวรคตินชารุ ดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรมนาคบวนนิรมานาสร์มันเตย์อมดิฉันสนใจในศิลปกรรมนาคุลนเตย์อมดิฉันสนใจในจิตกรรมนาคุจิตรเลขมันเตม